สองกันนี้เทศวันที่8 9ที่ 9, มิถุนาชงันห้าร้ีนาจังหวัดหลองคาย โดยับพระธรรมมาแห่งท่านพุกธาสนิกชนเนินศักทั้งหลายซึ่งเรนี้เนรที่บรรดาท่านพุกาสนิกชนเงนมีท่านเจ้าคะป็นต้นโดย่าท่านมาเชื่มาเกิดเป็นทุกข์มนเรื่องการลดตามแต่การที่สมที่ประอุกิป็นธรรมาฝนที่ทำเกเนเรื่องรอน คือทีเรื่องลับดัดฉันไปเรื่องนั้นเมื่อสำเร็จการตรวจคัดคุ้มในระยขั้นั้หลายนี้สร็จแล้วต่พาสิเป็นที่มีศัทธาเจ้าแก่ในเกษตกศาสตร์จังหวะยากจะบัดประฟังซึ่งอุราคันต่างทั้งสมบุกสมบูรณ์ข้าก็ได้ดังนั้นนายลบับดาวเรมนผู้ฟังที่ใจทุกคนน่าดูดี ข้าเปชาชนะจังหวัดและเป็นังคันคันสองสองสองเจ้องค์ท่านตามว่องยางผู้องค์สมเด็จพระสุรินทร์พรคาชาท่านโดยเที่ยวเจ้าพระพนมแล้วท่านโปรดดิสันนสชนะคันท่าเป็นองค์สเพระิพระคาเช่นนั้นตัดมาสมัยปัจจุบันเปนชาชนะคเส้นเดียวกันุทธเดชขึ่ที่จะเป็นวอง ดูว่าพราสนาที่จะรักว่าจะทำคำสอนของพระองเท่านั้นต็องมีการปฏิบัติการที่ใหเรือนเช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้นจ้าอำนาจทำในเองน้นกับที่ปฏิบัติในเร่งนี้จึงเป็นอำนาจที่้งกามที่พระองค์ได้เชิญพระศาสนาไว้่าติธดโดยสัตว์เป็ที่จะเป็นไว้ซึ่งอุปาชคำสอนสองพระองท่าน เมื่อคนชั้นน้อาวคนนที่คนทำชั้นเดียวคนเดียวชั้นต้คนันี้ก็ที่ว่คนสาวคนนีที่จะเสวไทยที่เดียวสาะอันมีอยู่ในจิตใจของมันมาเราทั้งหลายทุกท่านเชื่อที่จะพิชิปฏิบัติดีหรือเพื่อบรรจุทางชั้ว่าทคำสอนของพระองค์เข้าก็เพื่อใจานะจิตใจขนเป็นให้ในจัตุราสที่เดียวคนเดีชั้นต้นน้น ยาชนินี้งสารชนะธรรมที่เชี่อมต่อกับยาซึ่งเป็นของเคยมามีมาแล้วตั้งแต่ครั้งเดียวยจนกระทังแบบนี้ยามีหน้าที่ที่จะแฝงโลกสองบุคคลนัดตัดเชื่วไปยอดได้รับผลเนที่จอใจมาจนกระทั่งถึงแบบนี้สาสนะธรรมที่เรื่อมแฝงโลกภายในใจสองคนดาตัดที่หายยอดจะากดเป็นผมาทั้งจำน้นเชื่อมเครื่องมาถึงขึ้นโลกัน เมื่อเป็นเช่นนั้นเราซึ่งเป็นพุทธะวงจักในเครื่องนี้กับพุทธะวงศัของพระองค์เจ้านข้างนั้นก็คือว่าเป็นที่ที่ดำเนินตามแนวทางของศาสนาธรรมเพื่อกีเลือัญหาอาวะให้หดข้นไปจากจิตใจของตนเียงเดียวคนที่จะชินได้รับจากทางกระจี้เลดปัญหาอาวะให้เบาบาลงไะดูนักจงกรทั่งถึงที่สุดที่เป็นทาน เราท่านทงหลายย่อมจะมีสิทธิที่จะถึงได้รับขึ้เศคร่งพุทธกานเท่านั้นเพงเพือว่าจะสางรถทำคำสอนขององค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเป็นนักบิมาตลอดการมาจนกรทั่งแบบนี้แล้วจากนี้ไปจนกระทั่งถึงการอัขนางมื่าวันสี่วันสีคืนสี่เดือนย่องคปรนไว้เป็นมักนมาเต็สายฟงตวท่านที่ปฏิบัติจะถึงหน้าจะถึงความกำลังความสามารถทังมีความสนับสนุการเช่นนี้ตลอดมา ขท่เป็นปัญหาอยู่ในชั้นโน้กับชั้นนี้ก็คือว่าเป็นปัญหาสาหรับท่านผู้ที่จะทุกกปฏิบัติธรรมการแนวทางของพรงเจ้าได้นักหรือได้น้อยต่างกันเพียงแค่นี้คำที่ว่าที่วกก็ย่อม้เปึนเช่นเดียวกับชั้นโน้ทั้งนั้ทั้งสองที่จะใช้ที่ว่าธาตุแยกเป็นของมีวิที่าตุนดานที่ห้าที่จะสามารถแยื่อได้เช่นเดียวกับชั้นโน้นเหมือนกัน น่อเป็นเท่านั้นปัญหาเร่ง น, นี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ปฏิบัติธรรมแต่ละลายเท่านั้นหาด้วยเป็นชาแต่ละเพื่ อ, อไปไม่ผู้ใดคนผู้มีความาสนใจได้จ้งตนของตนไวงน้งมนธรรม่าตางสอนทั้งเอง เ, องเท่านั้ท่านผู้นันย่อมเป็นปสิ่ที่จะพึงได้ครับเ ง, งคือสัญญาคำเป็นขั้นขขึ้นไปจนกระทั่งถึงขั้นที่สูงสุ เพื่อวมนต์าเราทัา้งคตษา ส, าสิ่งประเชทั้หลายที่ททดเูเศพศึงคของแสงของวงของเดชพระภืน้าเจ้าตวมทัโลทุึกประชีบตาตามี่ากาลังความสามารถของตนอ่า ง, งนี้จงทราบว่าเป็นตนผู้ไว้ขึ่อำ า, า, าัานาอย่างัทธนาอย่างสมบูรดีแลอย่ามีความจำที่เท่นทั้งคนหน้ามีอำ น, นาจมาทธนาน่อย แลใครม่ได้หาอนาจวาสนามาสจจากที่ไหนนอกจากจะสั่งสนุนพวกตนของตนที่รูปกายวาจาใจของคนในทางดีทางชอบตามแนวทางขององค์สมบูกเ์พึงและขระเจ้าท่านนั้นแม้พระองค์ท่านผู้ที่ประพฤพระองค์และองค์ศาะดางมุนดาเราทั้งหลายก็ดีมันมาสาวยลกทั้งหลายผู้คือตนตนของเราได้เป็นเลิแล้วตั้งต่ท่านเป็นผู้ที่นตัว จางสมทำงานคมดีจึงเรียกว่าบารมีเกิดขึ้นได้ในท่านท่านั้นหาได้ในสร้างที่อื่นหรือให้ใไรๆมาสร้างให้ทา่านใหม่ตัวเราเองก็เช่นเดียวกันเราจะคิดสร้างทำงานความดีให้เกิดขึ้นแภายในจิตใจขอเรา มีสิทธิที่จะคุ้มครองนามานดีได้ด้วยและเป็นที่มีสิทธิที่จะคุณมได้ทำงานทำดีจากการประาคทำดีทั้งตนด้วยไม่ว่านม่บวชไม่ว่าพรวาสไม่ว่าหญิงไม่ชายมีสิทธิที่จะคุ้ได้ที่งานทำดีตามกำลังความสามารถทั้งตมและบัดนี้ตัวจากนี้ไปทรอธิบายเมื่ความแห่งกรคู้พาติดที่ยกขึ้มไว้เนี่นตนนั้นว่า มุปาณปชิริยาดังนี้เพื่้มามว่าการจะทาที่จะนิทานให้เพื่อก็นิทานเป็นอย่างไรเล่าซึงจะต้องทำให้เพื่อนเทนทานนั้นอยู่ที่ไหนและการที่จะะทําเพื่อซึ่งนิานนั้นจะต้องทาอย่างไรอะไรเป็นเพ่อนุดผุดติดนิานล่าตั้งแต่ครื่องพุทธิฆะทุกขะการทุกข์เจ้าทํานทำเนิานให้แพื ท่านทมที่ไหนท่านพพานอยู่ที่ไหนสาวุทฆ์ที้งหลายท่านทำท่านนิพพานที่เที่ยงโดยจักในจิตใจของท่านท่านทมที่ไหนก็ปรากฏว่านักแที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนมีงสมมาสมาธ่เป็นตัิหนึ่งมีสัมมีว่าเป็นลูกบุญเจ้าที่ะไายที่บวชอาระคะหรือจะไข้เป็นนิพพานการที่ว่าเป็นทานที่จะไปก็ต้องทาที่เที่ยงนั้นทินซาเกกว่า ครรมานที่ไม่เทงนั้นคืออะไรเป็นเท่ยงปกติเราต้องทราบาก่าอนนะ่าอะไรที่จะเป็นทรนมานใ้แม่ตามองสมบทพุพทธินิพพา่านโลกกล่าวว่าดังสมบทพุทธินิพพากัณได้แสดงไปแล้วมื่วประฏิโม่าสมณะมอคพระพุทธสัจฉนาอย่งางนี้ดังนี้ คำมักพุศาสนานมื่ออธิบายโดยผลรวมแล้วเม่อได้จดพุทธศาสนาคือคำสอนทั้งหมดของโยบบนพระพากเาเมื่ออธิบายให้เเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ปฏิบัติแล้วพุทะะึงศ า, า, าว่าคืของเราอุนศาสนาธรรมเป็นเครื่อ ง, อองคออื่ง อ, อ, องสอนจิตใจั้งเราอุ่นเมื่อใจของเราได้รับการเค่องสอนั้งหมอ เนอใจของเราจะต้องทำสล่างเขาจังเที่งโดวันหลับคุณทราบว่าใจนี้องค์เป็นผู้ที่จะทรเป็นผู้ที่จะตังสงฆ์ผู้วทไว้เป็นใจของตนและใจของเรานิองค์เป็นผู้ที่จะเจอผู้เวทปัญหาอาสอัตตกจากใจของจงเมื่อตนคน้ดคำที่ว่าอนิชาที่ทำมนหูคนนี้ว่าทำให้หูแก้งตัวนี้ทำมาถึชนิทานก็คือคุณทราบใจ ยาออกจากดวงเหวี่งอุ่นเส้วียวกันกับเมื่อผิวสว่างย่องปราสดขึ้นในกระถานที่มอ่นพ่อนุก็สันเหมือนกันตัวี่สมทันไม่แย่ก็อสมมตว่าที่เวียามซอสเซนเชื่องสกิจิตใจของเรา่งหนึงอ่างนี้ใจของเราทั้งทางที่นี้่น้อไม่สามารถที่จะฉายแออกมาให้บด่ชัด และะ้วจัสจิตใจของเราได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงเตรียมที่จะชำระติตใจของเราแต่ของเราเป็นอย่างไรจึงจะต้องชำระถ้าผู้ทรงความรู้รู้ตลอดเวลายี่สิบปีเ่นเดียวก็ควรู้หุ่นควรู้ฝันควรรู้กลางวันก็รู้กลางคืนควรู้ความรู้นี้เป็นความรู้สามัญธรรมดาของเราเป็นความรู้ที่มีธวิมชาติคือความไม่เสี่ยวข้องแค่เพียงกับจิตใจของเราไว้ การที่ปาธรรมะทาคำสอนขององค์สมเด็จพระสุริทร์านผาเจ้าท่านโดยแนะนำมูลว่าใ้เพื่อทำที่ฉันทานให้เจริญเพื่อให้เกิดธรรมะจิตใจของเราเรื่องตรงแห่งการธรรมะจิตใจทองเราเพื่อให้กจัดกับจิตใจของเราดูแทก็ได้เพืเพ่อทานภาวนาการภาวนาคือว่าเราจะอดลงโดยคาบวใดก็ตามแล้วแต่จะมีจิตใจของเราทอด เราจะเลยจำคิดโต้ก็ตามทำโมก็ตามสังโตก็ตามหรืเราจะกํามหนดเป็นหายใจเข้าเออให้เป็นอาลณ์ของใจก็ตามอาการเหล่า น, านี้ขั้นเรียกว่าภาวนาการภาวนานี้เป็นการพิจารณาใจของเราให้มีคว า, ามตั้งหนักสุดการธรรมนาของใจแล้าย่อมจะอยู่เป็นสุขไม่ได้คือจะย่องคิดไปทางโน้นคิดไปทางนี้ทางอดุตไม่ทางอนาคตบ้าง เมื่อปีนนมาปัจบันก็ปีนไปเพ่ออดีตอนาคตที่โคยานมาแล้วบ้างที่ยังไม่มาถึ ง, น, งนั่งมีเรื่างครอบควองพุ่งสร้งสนใประสาทสัมนี้มเมื่อใจของเราตายเสีปีนไอนไนอานใดไอ้เนั้นก็ปะสาทมอาเป็นเครื่องตกติดกันนู้ดแท่จงนของเราเรียกว่าพาลมเหล่านั้นเป็นเ่องตกติสกันานเยอนเข้ามาใกล้ใไม่มีอันใดตกติสกันผ่านนอกจากเรื่องคือต า, ายของเรานี้ โลภนาคือความสิดควา ม, ามทิพยาเตเสัญญาคือความจำไ้หมายดีนี้สังขารคือความปูนแขงเจนนี้ญาณคือความรู้กอาศสิ่งที่มาจะคบทุงใจหูนุกซึ่งกายนี้นี่หะเป็นเคร่องตกิตที่านไว้เราแยกไปเห็นก็เป็นนาทานี้แม้จะเป็นธาตุหรือดุความรู้กหรือดความจาได้จำบวกจำเสนก็ตาม แต่ความรู้สึกที่แท้จริงอันสั่อยู่ในจิใจของเราโดยที่เราปมาอกนั้นนะต่อตัวความรู้สึกอัาดอนี้ว่าเป็นตัวของเราว่าเป็นตัวผมหยุดเป็นอื่นว่าเป็นหญิงว่เาเป็นชายโยมโยมเป็นของเราเลยโยมาคำสุก็ต้องถือว่าเป็นของเราคำพูดก็ถือว่าเนของเราคำใช้มมเขียวก็ถือค่าเปนของเราคำกดจำได้หมายรู้ จวนทากตามง้อยตามช่งสองนะครับแค่กตามเราก็ต้องสํางัญความจาไรทั้งหมดนี้ว่า็นของเราสังขานคีอความปุงความคิดของเราปรุงทงมก็ตามปรุงท้งชั่วกตามปอย่างต่างๆก็ตามแล้ววัถุส่งอนี้ว่านของเราวินญาณทำและรูเราก็ผีว่าเป็นความและรูของเราฟูได้ทั้งหมดที่เราผีนของเราเลยยอดเป็นหูที่จะสังสมขึ้น เูื่อพิวดาชวะเป็นความยึดมั่นถือมั่นเพราะธรรมะแห่งความยึดมั่นถมั่นนี้เป็นผลที่จะปรากฏให้จิตใจของเราได้รับความใจหมองให้รับใจของเราได้วัเป็นความยึดถือเรื่าอุปาทานความถือมั่นในขันธ์ห้าเมื่อความถือมั่นในขันธ์ห้านี้ปราปกดจนติดแน่งกับจิตใจของเราแล้วเราของเรากะไม่สา ม, มารถที่จะง่เขยผลในรูปในเวทนรรมในสั ญ, ญในสังขารในยืยนยนว่าเป็นลักษณะใดา เป็นของจริงไม่งเป็นของเที่ยงหรือม่เที่ยงเปนทุกข์หรือเป็นสุขเป็นอนตาหรือเป็นาตาและไม่สามารถที่จะทรบทับทาในตัวเราเรอำนาจของอุปทานความถี่มั่นในนี้อย่างแน่นนเมื่อเป็นัความถี่มันอันนี้จึงเป็นหตุใกติดพาคือการนิพพ้นตลอดทั้งขั้เขไปเสียเมื่อเป็นนั้นการที่เราพิจารณาในธรรมทั้งหายก็เกิดขึ้น ห้ผมพัดผมพิงตามอาการทั้งหีลกโดธนาสัญญาสังขารจะเป็นโดยอณิจังก็ตามโดยทิดถังก็ตามโดยนักตาก็ตามจนเพื่อจัดแกนเส้นในจิตใจั้งเลาใจงเราตจะถอนพัดมองถือมั่นในรูปในโดยธนาในสัญญาในสังขารหมุนยานจนลำดับลาดับ้าไปใจของเราก็จะมีความเสนกเจางเชื่อง็นลำดับลำดับ้าไปเมื่อเป็นชนั้นใจของเราจะแปรด มีความสว่างหรือมีความแท่นเหนือสว่าด้วยปัญญาแล้วจะได้มาเห็นโทษแห่งทังยุกมั่นถือมั่นว่าตนไปจากใครเมื่อไปพังเราไปเห็นโทษแห่งรือโลภะทุสญญาสัญญาสังขารหนึญญ่งวนว่าสนไรรักถืออัจั่งด้วยทุกขังด้วยธรราตาด้วยก็ เอาจะไเห็นตัวเสาะสงใจเราซ่เป็นพยุติมั่นถือมั่นสาคัญผิดนั้นว่าเป็นเทกอกเทนึ่เมื่อเราได้เห็นเทกหงความสาคัญอนใจรู้ตัวเสาะสนใจพยุติมั่นถือมั่นในรูปโภชนาสัญญาสังขารมีญาณอย่างแค่เพียงแลวเราจะได้เจอซึ่งรูปโนาสัญญาสังขารมีญาณออกจากความเป็นตนแล้วเราจะรด้นว่ารูปตัวโภชนาตัวสัญญาตัวสังขารตัวมาณตันี้ไม่ใช่คนธรรมชาติที่ปกติทันทน เราได้ผลกระแสใจทั้งเราต้งตไปจากอรรมชาตเป็นที่ถือตารอำนาจวาสนาจดบังต้งตัวทองคูถืเมื่อเราได้ผลกระแสทั้งใจที่เจ้างทังสุดความชัดด้วยอำนาจแห่งอริมชาติลิปุญวรนี้ต้นเจ้ามาลิปุาอำนาจวานาแล้วเรา็ต้ผลโทษแหงความถืมั่นเมื่อเราได้ผโทษแ่งความหมายงใจเราเมื่อเราได้ผลโทษแหงความหมาย้งใจแล้วเราได้ เพิเข้าไปถึงว่าฐานแห่งความหมายนี้ว่าเป็นมาห้าอย่างไรหเนมาจากอะไรหตวตไม่มีความรู้สึกหัวโตเป็นไม่มีผู้หดคหาอาสวตเปนไม่มีคาโลกคมปวดคำเหนืออะไรใดใจขงเราซึ่งเรมไว้ตึ่งคํารู้นี้ย่าเป็นเหยืเพื่อใ้รู้ทั้งทางเนือทางเมื่อแ ต, ตอนตนั้นความรู้นี้เป็นของที่เชื่ออวิชชาตงสิุงเชื่อต้องปรุ่ห่อใจตนนั้นไว้ ไต่ตรงนั้นงไม่สามารถที่จะนิ่งตต้นทั้งต้นตึงต้นตัวให้หงกระแสติดใจของตันดวงที่สัไปวันนั้นเป็นนั้นนี้เนนี่น่าหยาดีนี่่าเือต่อสันโดให้เกความตั้งเนื้อติดทนทนี่จะฟินได้รักจะความตั้งเนื้อตินกลคือความเลี้ยง้องตโอ่งานเกินจากความงเป็นต้นโัวเมื่อไปเข้าใจได้ถจงนาเห็นกระแสข้งใจเรานั้นคือเราไปยุดมั่นถืมั่นในวทปปุระชนะนักทคัรอย่างนั้นก็เพราะเป็นความหลงของไต่เปล่าผู้เดียว เมื่อใเป็นผู้รูความเมื่นิ่งแ่ผุดเหลือเกินดวเป็้ยนโของเตาดวงเป็นเถกให้โสยฝนอากางของใตขึ้นสูงขึ้นต่ำขึ้นนั้นว่าเป็นโคกต่อมาจากใจที่เป็นความห็สิเนื่อจากทุก์อาเป็นตะวนเมื่อเป็นเน้แล้วเราจะได้ค้นคิดถึงความรู้เราก็แฝงองความรู้นี้ว่าเป็นความรู้ที่ริงหรือเป็นความรู้ที่ผดลาดหรือเร็ความรู้ที่เชื่อุต เมื่อเราได้วิ่งถ่ด้วยปัญญาของเราตั้งแปลริปโัญญาสัญญาสังขารวิาณงเราเริตั้งไปลวิถึงอินเเรื่องสัมผัสทั้งหลายภายในเต็มไปทั้งโประภาสตดูพั้วปัญญาเร้วเกับงานเลือจากความดิ้นไม่มันในหนังเข้ามารงกระทั่งถึงวิปปัญญาสังขารวาญญานเริเปล่ยนโกปัญญาถอนเข้าไปจนมันหับห นก็ะทั่งผมยื่นแจ้งึงอาการของเตาตนที่ไปสาคัญนั่หมายว่านั่นกรงนั้นตรงีผมเทออาการของสิดชัดเข้าเตาตกระทั่งถึงนาฐานของอาการของอิดดาวเวราะห์ิที่ตรงตัวสมมติท่านทู้งานมาอุทาเมื่อเราได้เห็นุซึ่งเป็นหาเงของอุทชาคือุดย่งีเป็นสุดอย่างของสมมติ ถ้าเสียเปล่าถึงทางธรรมปฏิบัติหรือริยัท่านกล่าวว่าเป็นวิ ญ, ญญาณที่บบิกทุตรวิ ญ, ญญาณที่เบิกุตรนี้พราแม้ที่จะสัง่งสมเอาตศเอาชาติเอาความรู้ความถึงความเมตตความฉลาดบรรจุในจอยดางนี้ไว้อย่างเต็นที่เมื่อใจตรงนี้ธรรมละยังไม่ขาดกระจายหรือธรรมละยังไม่แก่นแท้หรือธรรมละยังไม่หมดยังไม่จึดตรงนีอะไรจิต น, นี้แม้จะไม่กลับคืนมาสดในโลกก็ตาม มจะต้องเอาทงอยู่ในท่านเรานนขนหนึ่พานาจแหงอวิชชายังมีอยู่นภายในใจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องอาอัยปัญญายาที่มาเข้าถึงสร้างกระแสสมใจสกระทั่งถึงที่ น, น, นี้ซึ่งเป็นมากเแห่งระอสมใจผ่นนี้ให้นามว่าจิตจิตอันนี้ชื่ว่าตัวสมุิเมื่อเป็นเช่นนั้นที่รู้ขึ้นตียวสมุิ เพื่อการตึงเป็นสหายกับสิ่งตัวนี้ได้อย่างนีผู้ปฏิบัติเพื่อทำทั้ท ง, ทงทานให้เพื่อในเมื่อเห็นเพื่อตั้งใ่เขียนกึิ่นลดเคื่องสัมผัสเข้ามาจนกระ ท, ทั่งถึงเห็นเพื่อในรูปโฆษนาสัญญาสังหาริยานเข้ามาแล้วยังกะต้องเห็นเพื่อแห่งความสัาพันที่กระสนิยใจเพอกระทั่งถึงใจองึ่นเป็นเลักเรือประทานรืว่าใจแหงอันาเมื่อเราวังใจมากเป็นทางรู้ ที่ัวกับเบ ว, ว่อวิชาแล้วยังจะไม่มองใจในความรู้ประเพนี้เมื่อเราไม่มองใจในความรู้ประเพณีนี่แล้ว <c oughs> ก็ต้องให้เราได้ยึดถือความดีนี้มากเป็นข้อหัวใจมากเป็นอย่างใดแน่เมื่อเราไม่มองใจยึดถือเ ร, รยยื่องปรรยยัญญาของเราอย่อยางนี้ไม่หยุดย่างแล้ววันใดก็ตามคันก็ตามโดยไม่ต้องสง ส, สัยเราสามารถที่จะแย่งทฉลบตลอดซึ้งจุดดวงนี้จนเป็นุด ปัญหาของที่หลวงอาสวะเมื่อจุดดวมนี้ถู่การนี้ไถาสู่การพิจารณาด้วยอำนาจแห่งปัญญาของเราหวังเกเก่แล้วจะเป็นความที่สุดแห่งปัญญาของเราไม่ได้แต่จะแสดงตัวให้บุตอตกเตาจากล่าถานถูกความเป็นอนิจฉานั้นถือเมื่อจุดียงนี้หรือแม้จิดดวงเป็นเตือนสมุดท่านตรงพิจารณ์หรู้เป็นปหายของที่หลวงนี้ ด้วยพระศิษย์ไปเพราะอำนาจแห่ดาบคือปัญญายาณของเราเลยในการนั้นแม้ที่เราตัญหาอาชวะเชตชาทั้งหลายจะแต่ไปตายไปรม้มพ้อม ก, กันกับเจ้ออาวิชาผู้คนมหาขัดตัดของผู้อาตวะทั้ ง, าางหลายแล้วกว่าจายหตายไปนขณะนั้นนี่ละที่เราอธิบายในวันก่อนก่อนนั้นว่าฆ่าศิษย์ตาก็คือฆ่าจิษซึ่งเป็นเจ้าสมุทดงนี้ไม่ใช่จะฆ่าสมุารให้ตายได้เมื่อไร อนุชาไครๆก็จะฆ่าให้ตายจะทําให้เป็ข้าไม่ได้ให้ตายก็ไม่ได้ให้ยุ่งก็ไม่ได้ให้เชื่อตัวไม่ได้ให้เสือก็ไม่ได้ให้ดับก็ไม่ได้เรื่องที่โสวตายแบบดับได้ก็คือเรื่องของสมมุติเมื่อป่งนั่นคิดเรืองที่เป็นตัวสมมุตินั่นเองที่ให้นานอวิชามีอวิุชาได้ดับไปแล้วที่ปวดปัญหาเราก็ไม่ต้องบอกเพราะที่ปวดปัญหาก็คือเรื่องของอวิชาณึงเป็นร่าฐานนี้เป็นหาักไงเมื่อธมรมชาติอันนี้ได้ดับสินหาให้เอาปากจิดไปแล้ว กันมาฆ่าที่แท้คืั่าท้งผ่านนั้นเราจะหมดปัญหาเราไม่ต้องไปดูในประถานที่ใดๆที่สูงท <tail> ี่ตําทุกใต้ที่เหนี้เราจะเห็นได้ในศูนย์กลางแห่งความรู้สึกของเราโดยจิตหรือปัญญาของเราได้ทําการต่อสู้กับสมมติที่ว่าว่าจิตจะสมมติอนั้นกับสู้อาชญาทั้งหลาย บาดวิ่งไถ่กันแต่ลอยตายลงไปรู้ว่าที่เรือวอาจรัูสมมุติไปใดได้แค่จากปัญญายางของเราเลยขนั้นนันองธรรมชาติที่แท้จริงที่รู้ทนผัสราธมนินธ์นั้นเจ้าปลาสดเร็นทัพดีในสฐานที่นั้นยเราต้องต้นพื้นธรรมทานมาจากที่ไหนเ่นเดียวกับพื้นที่ที่ตรงไปด้วเพื่อนศพทุ่งหุ่นห่าทั้งหลาย เมื่อเราซู้อสิท่สที่ตก ค, คที่พอดถ่างหายออกจากแห่งนี้ที่ว่าโบ๊ะบนันแล้วทามเทียนก็ต้องโน้ตจะร้หามาจากที่ไหนจะปรากฏชุดในถ้๊านที่นั่นนั่นองค์ข้อนี้ก็ถ่านนั่นนหมอนกันเพาราะทามที่ว่าใน่ันนั้นก็เพราะอำนาจแห่งวามนู้ที่เป็นตัวสมมติอันหนึ่งซึ่งแฝงอยู่ในถ้๊าหันตัวนั้นตกคืนอุ่มหอธรรมชาติที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมา ธรรมชาติที่ไม่ใช่จงมุนั้นจึงไม่มีโอกาสส า, ามารถที่จะฉายแสงออกมาให้เราเห็นสิ่งส่วนเสี้ยงในทรรทั้งหลายได้ในเมื่อเราไม่ได้เห็นสิ่งส่วนเสี้ยงในทรรทั้งหลายเพราะอำนาจแห่งอวิชชาเป็นหัวหน้าแห่งความรูร้ทั้งเลยซึ่งเป็นเหตให้เราหลงในรูปในเสี้ยงในสิ่งในรถใน เ, ร, ในเรื่องสัมผัสทั้งหลายตลอดทั้งไรตรโลกธาตุเป็นสิ่งที่จิตของเราจะหลงล่าในที่ทั่วไปไม่ว่าถึงว่าสต่ำไม่ว่าที่เจลที่ใกล้จิตสามารถจะหลงล่าเพรอำ น, นาของอวิชชาเป็น ผู้ปกครองแม้เป็นคนนั้นแม้เปนเหวตุตั้งคบตั้งขาดเป็นตัดเป็นบุคเปไปชั้นสูงชั้นต่ําไปอยู่ขึ้นเดียว ก, กันกับว่าบุคคลที่เข้าตารางบุคคลที่เข้าตารางนั้นจะเป็นคนชั้นไหนๆก็ตามจะเป็นชั้นสูงก็ตามชั้นต่ําก็ตามเป็นค น, นเมื่อเนขนาดก็ตามในเมื่อไปปลุกคู่ปตารางแล้วเขาเมื่อนักโทษกันทางนั้น ใจของเราที่เป็นพระอาษชาจะไปปูโทพาใบแดนใบก็ตามคำโมืไปใบก็ตามเพือที่ว่าทค่องเกี่ยวอยู่ในวัตัะเลื่อว่าเป็นที่มีพิรุธเดีกันทั้งนั้นวม่าพระนักโทษแค่โทษแห่งความหมุนความวนโทษแห่งความทุกข์ความอับาปโทษแห่งตรงจักของรัตะที่ให้โทษหน้าอย่างนั้นเึ้นเดียวกันกับบุคคลที่ปลรางกับคนท่านเราต้องอดนนักโทษในคาเดียวกันเพนี้เพื่อั้นเหม่นกันเมื่อใของเราได้ มีความสามารถขนาดหรือปัญญาของเรามคาครั้สามารถฉนาดแก้ไขจิตใาที่เราได้ดังที่อธิบายมาแล้วนี้เราจะไม่ต้องเป็นบัญหากับพระอนุภัณฑ์ในสถานที่ใดองค์งส่วนตัพระภูตรพระธาตุท่านตรวจรู้มัดผนทิทานนั่นตรวจรที่ไหนเราก็ไม่สงสัยแม้เราจะนั่งอยู่ในสถานที่นี้ก็ตามแค่องค์จะอนะขขิภัณฑ์มาแล้วก็ตาม คำที่ว sì, ่าเวชมังสะติเตมังระตินามะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นผู้ว่าเห็นเราละขาทศทอดจะไม่เป็นปัญหาเดๆผูาหักเราผู้จู้ดูทำตามพระองค์สมเด็จพระสูนีพระภาคเจ้าแต่การที่เราจะมองดูพระองค์ได้โดยวีดย่างกลางตัวนั้นก็ไม่เหมือนกันบางองค์ก็มีความสูนสัมดำขาเช่นเดียวกับมนุษย์เราไม่เหมือนกันในเมื่อเราได้เห็นวิชิธรรมคือธรรมหมดจดแข็งใจที่หมดจัดที่เราขาสะแล้วการเด็จัดกับใจของเรา การนั re, ้นเองที karaoke, ่ว่าเราได้เข uh ้าเต่าหงสมบัติพระถึงพระเจ้าที่ว่าเราได้วงองค์สมบับิพระถึงพระเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์เจ้ายังทรงเจริญอยูไม่จิดตัวอันโลกนี่ละการปฏิบัติศาสนธรรมคำสั่งสอนขององค์สมบัติพระถึงพระพักตั้งแต่แครงพุทธการมาจนถึงสมัยทุกวันนี้เป็นไปโดยความร้อนร้อนเป็นไปด้วยความอุ่นไม่เป็นของยนของเน่าของบวชของขึ้นลาไม่เป็นของล่าสมัยทไหน หาชนธรรมไม่กี่ขัวขาละทำทำที่พระองค์เจ้ากล่าวดีเล่าเมื่อกล่าวดีเล่าในขั้งนั้นขั้นนี้ก็จะต้องเป็ธรรมกล่าวดีธรรมเป็นขต้นที่ลวกท่าแต่ขั้นงขั้นนี้ก็ตกเป็นขั้นต้ที่หลวงท่าวัดกันใเมื่อขื้ผู้ใดเนมีความสนใจเปสนผู้ปฏิบัติไม่ว่านั่งสบตรลาวัดเป็นผู้มีสิทธิที่จะต้องรับมรรคผลนิพพานขั้นวัวกันจากขั้นลงการที่เราจะทำมีทโทษะาสนายว่าไม่มีมผลนิพพานนั้น เรื่องของคนตาบอดไปเชื่อตกาศโฆษณาให้คนตาดีเขาปืวแต่ถ้าคนตาดีขาล่าเขาจะปื้อว่ายงต่สำหนักคนตาบอดนี้เท่อาจจะเชื่อได้บ้างคนตาดีจะมาเชื่อคนตาบอดนั้นย่ำรวยไมได้ในโลกคนเทาอาจจะมาเชื่อคนก็รรวยไม่ได้่เดียวกันเมื่อคนคนนั้นนักบวชทั้งหลายที่ท่านองค์พรนจากพรวัดปฏิบัติของท่านไม่รู้ว่าเห็นจิตามาธรรมตามแนวทางของพระองค์แล้วท่านจะมีความมันไหนอย่างระล่า เนี่ยเป็นคว่าสาชาทำย่อมจะเป็ไว้ละภายในจิตใจทั้งท่านเป็นธรรมทีบ่บริสุทธิ์คนบรรดาท่านที่ประสาทสนุติจตุนทั้งหลายจะอยู่ใกล้ก็ตามอยู่ใกล้ก็ตามจะตป็นห น, น, นุนก็ตามเป้ทายก็ตามจะเปนนักเวียก็ตามเป็นธรรมวาสก็ตามแต่ว่าเอาเป็นมิใส่ต่อคอเช่นเร า, าก็ตามเราทุ้ทราบว่าเรามีความตวดทุกเราต้องการอยู่วกันสาชาทำเป็นสิ่งที่บร ความความซึ่งทำทำุกความยากความลาบากจากตัวทของเราสาธารธรรมตรงนีิ่ที่จะให้ความจิตส่วบนบ้านเราพูปปฏิบัติทำเมื่อเป็นเช่นนั้นจึตงตรงที่มีความภูมิใจในการที่จะพูสสปผลพิบัติตามสาธนธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระปุณพระภาคเจ้าในเมื่อเราเป็นผู้มีความสามารถอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเรา ว่าสนาคือทำเป็นเครื่องดีของเราในเมื่อเรามีมากแล้วก็สามารถที่จะแก้่อที่ดือาสนาอาเสามารถที่จะทำพันธะในตัวของเราท่านผู้ฟันทุกคนอย่ามีความสงสัยสงเคยาว่ามัดพันธะอยู่ที่ไหนไม่นอกเอาจากใจของเราที่ดึงูเพราะในกำจากที่เที่ออกจิตใจของเราความรู้สุกความรู้ที่ีว่าพันธนั้นพระองค์ท้าบมาโดลวนป้าว่าเราที่ไหนน่าจกจะที้ลงในจิตที่เป็นไปด้วยที่เดือดอาเซอ ขันมะขุกเราของเราสงจากข้าวโพและก็เป็นสิ่งที่จะตั้งรู้ตั้เห็นสิ่งจำในจุดเดียวจังก็เป็นขั้นทุกคนเทนาวสารในอวสารการชนชุกระเพียงขันพรธรรมโสตาน้ทุกข้าในชาโลนะธรรมานุชาเวนะสั้งชาในชาโวนะพระตัวบารมีในภาพถึงต้นเบื่อตูมีในภาพพร้อมทั้งพอศร ก็ทังล่าโสมลงมาะกื่อแฝงกับท่านผกษัตริยานีสักสงทางล้าให้มีความผูกกายสบายใจทุกขี่าราดปรีกาดังเหลือเบื่อานี้ศักดิหนามาเมื่อเปนมาคำสั่งสอนทั้งองค์สบูร์ู่้มีตัวขาสกาสนนักดินควรจะเวราคอยจิตีเรงโลเยว่าเพียงแค่นี้เท่ังนคนไม่ดุริยาลัสิ่ง